บัติธรรมถ้าพูดอย่างย่อๆให้เหลือแต่ใจความสำคัญนะก็มีแค่สองเท่านั้นนะอันแรกคือทำความดีอันที่สองคือเห็นความจริงเพราะว่าธรรมะในที่นี้เนี่ยหมายถึงทั้งสัจธรรมแล้วก็จริยธรรมสัจธรรมก็คือความจริงที่เราต้องเห็น จริยธรรมก็คือความดีที่เราต้องปฏิบัติหรือทำให้มากขึ้นทำความดีนี่ก็เช่นการให้ทานการรักษาศีลให้ทานเป็นความดีก็เพราะว่ามันเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ขัดเกลาวความตระหนี่ขัดเกลากิเลสความเป็นแกนตัวในตัวเราศีลก็เหมือนกันนะ นอกจากจะลดการเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นแล้วนะก็ยังเป็นการขัดเกลาตัวเราด้วยเช่นเดียวกันไม่ให้รู้แกโลภะโทสะหรือโมหะหรือไม่ให้โลภะโทสะโมหะนี้ครอบงำจิตใจเราที่ทาความดีแล้วก็ยังไม่พอนะต้องเห็นความจริงด้วย หลายคนนี่ทำความดีทำบุญให้ทานเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้ฝึกใจให้เห็นความจริงก็เลยพอมีความพันปวนแปรปร ว, วนเกิดขึ้นในชีวิตเกิดความพลัดพรากสูญเสียแล้วเกิดความเจ็บความป่วยขึ้นมาก็ทำใจไม่ได้บางคนก็ตีโพยตีพยตายว่าทำไมต้องเป็นชั้นชันอุตสาห์ทำความดีมา ให้ทุนให้บุญทำบุญให้ทานก็มากมายทำไมถึงต้องปวดเป็นมะเร็งหรือว่าทำไมลูกต้องตายตั้งแต่ยังเล็กทำไมบ้านน้ำท่วมอันนี้เพราะว่าไม่ได้ฝึกใจให้เห็นความจริงเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดา มันไม่มีอะไรที่จรังยั่งยืนก็คือเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆรวมทั้งเห็นว่าไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยมันมันเกิดมาแล้วก็ต้องดับไปเกิดมาแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้เราเรียกว่าเห็นอ น, นิจจังเห็นทุกขัง เราก็เห็นอนัตตาคือเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ใจยึดเป็นเราเป็นของเราได้เลยสักอย่างไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจเราได้เพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนที่จะไปบังคับควบคุมมันได้เลยแม้แต่น้อยอันนี้คือตัวอย่างการเห็นความจริงซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องต้องฝึกต้องปฏิบัติ การเจริญกรรมฐานนะโดยเพราะสติปัฏฐานเนี่ยก็คือเป็นการฝึกเจให้เห็นความจริงถ้าให้มาเจริญสติเพียงแค่อยากจะได้รับความสงบอันนี้ยังไม่พอนะยังไม่พอความสงบอาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่ได้ทำความดีให้ทานรักษาศีหรือว่าการ ทำสมาธิแต่ว่ามันเป็นของชั่วคราวนะเพราะความสงบเองมันก็ไม่เที่ยงถ้าเราไปลหลงไหลได้เพื่ อ, อความสงบโดยที่ใจเราไม่เห็นความจริงเลยนะก็ถือว่าชีวิตเรายังเสี่ยงอยู่เสี่ยงต่อความทุกข์เสี่ยงต่อการถูกความทุกข์ครอบงำเราต้องฝึกจิตให้เห็นความจริง ความจริงเรื่องอะไรความจริงเรื่องตัวเรานี่แหละไม่ใช่ความจริงแบบวิทยาศาสตร์นะที่โดยและแต่เป็นเรื่องนอกตัวตั้งแต่อตอมไปจนถึงจักรวาลหรือเอกภพอันนั้นก็มีประโยชน์นะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกอาจจะช่วยทําให้คลายทุกทางกายได้ ใจทุกทางใจก็ยังจมปลักเหมือนเดิมเรือจะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีความหลงมีความอาหังการว่าฉันรู้ดีรู้มากหรือเอาใจไปฝากไว้กับวัตถุพอจจไปฝากไว้กับวัตถุนะครั้นวัตถุมันแปรปวนผันผวนไปหรือว่าตัวเองเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ย ไอ้ไ ade, ประตูนี่มันพึ่งไม่ได้เลยนะมีหมอคนหนึ่งลา อ, ออกมาทำธุรกิจแล้วก็แต่งงานกับนักธุรกิจคนหนึ่งก็ร่ำรวยนะเป็นร้อยล้านนะแล้วอยู่มาวันหนึ่ง<ร> <forbid> นักธุรกิจคือสามีก็ข อ, อย่าเลิกทางกันคุณหม อ, อที่เป็นนักธุรกิจคนนี้นี่แกก็ ผู้หญิงคนนี้แกก็เสียใจมากมีความเศร้าผิดหวังอย่างแรงแกถึงก็บอกว่าเนี่ยชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรเลยทั้งนั่งที่ยังเหลืออีกเยอะนะคือได้สินทรัพย์แบ่งสินทรัพย์กันก็ยังมีเงินเป็นร้อยล้านแต่รู้สึกว่าชีวิตไม่เหลืออะไรเลยสับสนเหมือนก็นอยู่คนเดียวแกมีเพชรนะเป็นถุงเลยนะ เพชรนี้เป็นถุงนี่คงเป็นหลายล้านทีเดียวเอามาเทต่อนหน้านี้มันไม่มีความหมายเลยมันไม่ตายางหินหรือก้อนกรวดเมื่อเธอได้ตอนนั้นก็ได้ความคิดได้คิดขึ้นมาทันทีเลยนะว่าไอตอนเรามีความสุขเนี่ยเมื่อเห็นเพชรแล้วทาให้สบายใจแต่เวลามีความทุกเนี่ยเพชรมันไม่ช่วยเลยเพชมันไม่ช่วยทำให้หายทุกเลย มันไม่ตายอหินก้อนหนึ่งหรือไม่ต่กล้อนกวดหลายๆก้อนที่ไม่มีค่าเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนของคนที่คิดว่าหรือเคยคิดว่าความสุขนี้มันจะฝากไว้กับวัตถุไดนะ้แต่พอมีความทุกข์เข้าจริงๆเลยเพราะความทุกข์กายไอ้วัตถุทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเพชรไม่ว่าจะเป็นบ้ารถยนมันไม่ได้ช่วยเลยนะจนกว่าจะ เห็นธรรมะก็คือเห็นความจริงพอเห็นความจริงแล้วนี่มันก็จะทําให้หลุดนะจากความทุกข์ได้แล้วก็เฉพาะว่าอ๋อถึงแม้ฉันจ ะ, ะเสียสามีไปเสียคนรักไปแต่ฉันยังมีอะไรมากมายนียังมีลมหายใจยังมีชีวิตยังมีพ่อมีแม่มีอะไรต้องมากมายที่สามารถจะเอาไปใช้ใน ให้เป็นประโยชน์ในการทําความดีสร้างความสุขความเจริญงองงามแก่ชีวิตได้ในการเห็นความจริงเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าเห็นความจริงเกี่ยวกับตัวเราตัวเรามันก็มีแค่กายกับใจนะที่เหลือนี่มันเป็นของนอกกายตอนเราเกิดมาก็มีแค่กายกับใจรูปกับนามนะการปฏิบัติธรรมก็คือการ มาเห็นความจริงเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่เห็นอย่างอื่นเลยเห็นสีเห็นแสงนั่นก็ไม่ใช่มันเป็นของปลอมนะนิ ม, มิตเหล่านะั้นเป็นของปลอมมันต้องเห็นเรื่องกายเรื่องใจสติปัฏฐานนี่ก็คือการที่พาเรามาดูเรื่องกายเรื่องใจกายอนุปัสสนาคือเห็นความจริง เกี่ยวกับกายหรือเห็นกายในกายเวทนานุปัสสนาก็คือเห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนานี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าเรามักจะเห็นเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกับเห็นกายไม่ค่อยได้เห็นกายว่าเป็นกายนะแต่เห็นกายว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวกูนั่นเองเห็นจิตในจิตหรือจิตตานุปัสสนาก็คือเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่ จิตเป็นเราเป็นของเราธรรมานุปัสสนาเห็นธรรมเป็นธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมารมณ์คือสิ่งที่เกิดกับเกิดกับใจนห้เห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นนิวรนี่เป็นขันนี่เป็นอ่านี่เรียกว่าอริยสัจสสามารถจัดหมวดหมู่ของมันจนกระทั่งเห็นเป็นธรรมได้พูดง่ายคือว่าเห็น กายกับใจอย่างที่เราก็เทียนท่านสอนนะให้ดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะการปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงมันก็มีหลักอยู่แค่2 อ, อย่างนะคือเห็นกายเคลื่อนไหวดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะการปฏิบัติธรรมนะการเจริญสติคือเพื่อไม่ให้เห็นตรงนี้แล้วเหมือนตรงนี้เราก็จะเห็นความจริงว่าอ๋อแทะ ชีวิตนี้มันก็มีแค่กายกับใจแต่ว่าเรามักจะถูกมายาภาพนี้มันลวงเวลานึกถึงเวลามองมาที่ตัวเองก็เห็นแต่ตัวกูนะเห็นแต่ตัวฉันจะทำอะไรก็มีแต่ตัวฉันเดิ น, นก็ฉันเดินนั่งก็ฉันนั่งคิดก็ฉันคิดโกรธก็ฉันโกรธป่วยก็ฉันปวดนะที่จริงมันไม่มีฉันนะ มันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจจริสติทําให้เราเห็นว่าอาที่เดินนี่นะมันเป็นรูปที่เดินที่นั่งในรูปมันเป็นรูปนั่งไอ้ที่คิดนี่มันไม่ใช่ฉันคิดมันใจที่คิดหรือว่าความคิดเกิดขึ้นที่ใจที่โกรดนี่ไม่ใช่ฉันโกรธมันเป็นใจที่โกรธหรือความโกรธเกิดขึ้นที่ใจไอ้ที่ปวดนี่ก็ไม่ใช่ฉันปวดนะมันเป็นกายที่ปวดหรือปวดเกิดขึ้นที่กาย ไอ้ที่ทุกนี่ก็ไม่ใช่ชันทุกนั่นไปเป็นทุกที่เกิดขึ้นที่ใจเราก็จะเห็นความจริงแยกมาเป็นเป็น2จากเดิมที่เห็นเป็นแค่หนึ่งอไอะไรก็ฉันชันชั้ น, น, นมีแต่ฉันทั้งนั้นจกนกระทั่งฉันนี้กลายเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางชีวิตศูนย์กลางโลกแต่ที่จริงมันไม่มีฉั้นมันมีแต่กายกับใจมีแต่รูป ก, กับนามเห็นเห็น ไปกระทั่งเห็นว่าเออมันเป็นใจรักนะอันนี้จังทุกครั้งนัตตาร่างกายนี้นะั่นมันก็ไม่เที่ยงนะร่างกายนี้ก็เต็มไปได้ทุกนะไม่ว่านั่งหรืออยู่ในอิริยาบถใดที่เราคิดว่าสบายมันสบายไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทุกแล้วนะต้องขยับแม้แต่พิงเสาเราคิดว่าสบายแต่ใครจะใครเล่าที่จะพิงเสงได้พิงเสาได้นานเป็นชั่วโมง เดี๋ยวก็เมื่อยละนอนดีกว่าที่จะนอนแล้วสบายแต่นอนแล้วก็ยังต้องขยับใช่ไหมอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแล้วก็ขยับน่นขยับนี่ยิ่งถ้านอนติดเตียงเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนี่ก็ทุกข์สาหัสเลยนะเพราะว่าแผลนี่มันแผลกดทับนี่มันเล่นงานเนาะแ้วรงกาก็ติดไปได้วยทุกข์นะแล้วมันก็ อันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ปวดท้องสั่งให้มันหายปวดมันก็ไม่ยอมหายมันเริ่มแก่สั่งให้มันหยุดแก่มันก็ไม่ยอมหยุดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นอนัตตาในลักษณะหนึ่งอัจิตก็เหมือนกันนะจิตมันก็แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันแปรปรวนยิ่งกว่าดินฟ้าอากาศ เรามักจะไปบ่นดินฟ้าอากาศว่ามันแปรปวนนะเมื่อกี้พึ่งพึ่งแดดยังจ้าอยู่เลยตอนนี้ฝนตกแล้วเอ๊ะทำไมดินฟ้าอากาศมันแย่แบบนี้แปรปวนแบบนี้ใจที่จริงใจของเราแปรปวนยิ่งกว่าดินฟ้าอากาศสินั่นคือความไม่เที่ยงเนี่ยดีใจได้ไม่นานเดี๋ยวก็หงุดหงิดละเดี๋ยวก็คุณเคืองแล้ว ปฏิบัติสงบดีนะเช้านี้พอตกบ่ายนี่มันฟุ้งเลยมันเพียนไปสะละนี่ก็คืออันนี้จังแล้วเราก็ได้เห็นว่ามันเห็นความเกิดดับของจิตใจเราด้วยเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาแล้วก็มันก็เต็มไปด้วยการบีกคั้น ทุกครั้งเนี่ยนะมันไม่ใช่แปลว่าแค่การเกิดตับหรือเสื่อมเท่านั้นแต่ว่ามันยังหมายถึงโทษมาถึงความบีบคั้นนะสังขารแล้วก็ถูกบีบคั้นแล้วมันก็บีบคั้นใจเรานะร่างกายเราเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้ความบีบคั้นมันคร่องเป็นนิดนี่เรียกว่าทุกข์แล้วมันยังไปบีบคั้นใจด้วยถ้าใจไปยึดร่างกายนี้เมื่อไหร่นะ ใจก็จะถูกกายเนี่ยบีบคันคำวา่าทุกข์จะแปว่าบีบคันก็ได้หรือถูกบีบคันนะเสียดแทงใจอนัน ต, ตาก็เช่นเดียวกันใจเราก็ถ้าเรามาดูใจก็จะเห็นมันอนัตตาจริงใจเนี่แค่เป็นรอปิ้งของเราแต่ว่าทําไมสั่งไม่ได้สั่งให้มันหยุดฟุง้งหยุดหยุดคิดมันก็ไม่ยอมนะสั่งให้มันสงบมันก็ไม่ยอมแม้กระทั่งจะคุมไม่ให้คิด ก็คุมไม่ได้อาจจะคุมได้แค่ช่วนาทีสองนาทีเดียวก็ไปกัแล้วไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าเลยว่าอีกหนนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรอีกสองนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรมันไปของมันนะมันมีธรรมชาติของมันเองอันนี้เรียกว่าอนัตตาถ้าเรามาดูกายดูใจก็จะเห็นนะเห็นไตรลักษณ์ได้ แล้วก็ตามเนี่ยการเห็นความจริงเรื่องกายเรื่องใจนี่มันไม่ได้แปลว่าเฉพา ะ, ะพมาดูกายดูใจอย่างเดียวนะชีวิตเก็ต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกเราก็ต้องทํางานต้องไปไหนมาไหนไม่ได้แปลว่าจะการที่จะรับรู้โลกภายนอกก็จะเป็นอุปสรรคเสมอไปถึงแม้ครูบาอาจารย์จะบอกว่าอย่าทรงจิตออกนอกก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปได้ยินไม่ต้องไปรับรู้ สิ่งรอบตัวทั้งสิ้นอันนั้นก็ไม่ใชนะ่เราต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกนะเวลาเดินข้ามถนนเราก็ต้องดูรถเวลาขับรถเราก็ต้องดูทางข้างหน้านะเวลาทำงานเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนแต่ว่าอันนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมหรือการเห็นความจริงนะเราสามารถที่จ ะ, ะถ้าเรามองเป็นนะเราก็เห็นสัจธรรมได้ จากโลกภายนอกได้เหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องมาดูที่กายที่ใจยอย่างเดียวนะบางทีไปดนะูดูสิ่งภายนอกก็ได้เหมือนกันวิธีการดูสัจธรรมจากสิ่งภายนอกนะวิธีการหนึ่งทีนะ่พวกเราเคยได้ยินบางคนจะเคยปฏิบัติคือการพิจารณาสากศพหรืออสุภกรรมฐาน บางทีเพียงแค่นึกถึงหรือพูดถึงนี่บางคนก็เสียสยออันนั้นคือการพิจารณาให้เห็นความจริงของชีวิตนะว่าร่างกายเราที่เราหวงแหนยกย่องเ ช, ชิดชูนะมันแท้จริงแล้วก็เต็มไปด้วยความน่าเกลียดนะเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยสักอย่างพอตายไปแล้วนี่ร่างกายก็เน่านะเป็นที่น่ารงเกีย พิจารณาสุภ ก, กรรมฐานเพื่อเห็นอนิจจังเพื่อลดราคาก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ในสายพุทธการเนี่ยมีลูกศิษย์ของพระสารีบุตรมาปฏิบัติธรรมกับท่านพระสารีบุตรก็ให้พิจารณาสุภ ก, กรรมฐานแต่พิจารณาเท่าไหรเท่าไรก็ไมไ่เกิดความเจริญก็ได้ในทางธรรมะเลย เมพระพุทธรงทราบก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่พรงทราบว่าเนี่ยภาะรูปนี้เนี่ยเคยเป็นช่างทองแล้วก็ตีทองให้เป็นรูปดอกบัวนะเรียกว่าทมนี่เป็นกิจวัตรเลยก็เลยให้พิจารณาดอกบัวแทนเอาดอกบัวขึ้นมาจากสาพิจารณาจริงๆดอกบัวนี่ก็ตูมสวยนะสดนะแต่พอ ผ่านไปผ่านไปเวลาผ่านไปดอกบัวก็เริ่มโรยนะกลีบก็ร่วงโรยนะสีก็เริ่มเปลี่ยนไปพาลูมีกาพิจารณาเห็นความแปรเปลี่ยนของดอกบัวที่เคยสวยงามแล้วกลายเป็นร่วงโรยท่านก็เห็นถึงความไม่เที่ยงนะแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าเออสังขารมันไม่เที่ยงแบบนี้หนอร่างกายเราก็เหมือนกันต่อไปก็จะ รวงโรยแปรเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับดอกบัวท่านก็ บ, บรรลุ ธ, ธรรมเลยนะท่านบรรลุ ธ, ธรรมจากการที่พิจารณาดอกบัวเห็นคือเจริญกรรมฐานจากดอกบัวแล้วก็ทําให้เห็นไตรลักษณ์นะหลายคนนี่เวลาดูดอกบัวแล้วก็ เ, เกิดความพึงพอใจเห็นว่าสวยงามพิจารณาแบบนี้นี่มันไม่เกิดธรรมะนะไม่เห็นความจริง อาจจะเกิดราคาขึ้นมาด้วยซ้ำแต่ถ้าพิจารณาเป็นเนี่ยก็เห็นธรรมได้เห็นใจรักอันนี้ไม่ได้ดูท่านไม่ได้ดูกายดูใจเป็นเบื้องต้นนะดูจากสิ่งนอกตัวคือดอกบัวบางท่านเนี่ยอย่างเช่นท่านจุลปันถกเนี่ยเป็นพระที่โง่ามากนะพี่ชายซึ่งเป็นพระอรหันเนี่ยไอ้ท่านท่องคาถา แค่สี่ประโยค์ท่านั้นท่านใช้เวลาสามเดือนก็ยังท่องไม่ได้จนพี่ชายไล่ออกไปเลยนะบอกว่าหมดหวังแล้วพระพุทธเจ้า3ามนี่ก็ก็ชวนให้อย่าเพึ่งสึกนะแล้วก็แนะนำให้ลองทำกรรมฐานง่ายๆเอาผ้าสีขาวมาแล้วก็ลูปรูปไปเรื่อยๆนะ แล้วก็บริการไปด้วยว่ารโชฮารันนางรโชฮารันังแปลว่าผ้าเช็ดฝุ่นหรือผ้าเช็ดทุลีท่านจุลบันทกเนี่ยท่านเป็นถึงแม้จะเป็นพระทิงโง่นะแต่ว่าเชื่อฟังพระเจ้าสั่งให้ทำอะไรก็ทำแต่เป็นคราวนี้กลายเป็นการทำที่ไม่ต้องใช้ความคิดละก็แค่ลูบนะผ้าท่านก็ลูบไปเรื่อยๆลูบไปเรื่อยๆเพราะว่า รูปไปนานเข้านะผ้าที่เคยขาวมันก็เริ่มเริ่มหมองนะเริ่มหมองเริ่มสกรปรกแล้วกลายเป็นปสกรปรกไปเพราะว่าเจอคราบใครจับมือของของท่านท่านก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะว่าโอ้ผ้าที่เคยขาวนี่มันในสุดมันก็หมองมันก็สกรปรกนะเพราะว่าฝุ่นเพราะว่าคราบใครฉันใดก็ฉันนั้นจิตเรานะมันก็ มองคลั่งก็เพกิเลสท่นเองท่านเห็นโทษของกิเลสเลยนะแล้วท่านก็เห็นว่าโอ้ไอ้กิเลสนี่มันทําให้จิตใจเศร้าหมองอย่นี้เองก็น้องเข้ามาใส่ตัวใจเป็นสมาธิแล้วก็ก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาจกนกระทั่งเห็นความจริงก็เรื่องตัวเองนั่นแหละเรื่องกายเรื่องใจเห็นไตรลักษณ์ท่านก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เลย อันนี้ก็เป็นการทำกรรมาฐานจากสิ่งนอกตัวนะแต่ว่าพรูพเจ้าจมีอุบายให้ท่านมองจงกนกระทั่งท่านเห็นธรรมะได้การมองการรับรู้โลกภายนอกการมองสิ่งต่างๆนอกตัวเนี่ยถ้าเรามองเป็นก็เห็นธรรมเหมือนกันนะไม่ได้แปลว่าจะต้องมาตามรู้ดูกายใจอย่างเดียวเท่านั้น ในเมื่อเราต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกเราก็อย่าส่งจิตออกนอกจะหลืนตัวแต่ขณะเดียวกันก็รู้จักมองให้เป็นก็จะเห็นธรรมมีสามเณรท่านหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรเดินกิทจบาลกับพาะสารีบุตรเช้าวันหนึ่งระหว่างที่เดินผ่านทุ่งน้ำก็เห็นชาวนาเนี่ยทดน้ําเข้านาพอเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นช่างไม้กําลังถากไม้ให้เป็นรูปเป็นราง เดินไปมก็เห็นช่างธนูกำลังดัดคันธนูท่านก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะว่าเออไอ้สิ่งที่มันเป็นวัตถุเนี่ยเช่นน้ำเช่นไม้หรือคันธนูเนี่ยมันไม่มีไม่มีจิตใจนะก็ยังสามารถจะดัดให้เป็นประโยชน์ได้แล้วเราละ่ะนะซึ่งมีจิตมีใจทำไมจะดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ไม่ได้แล้วท่านเห็นตอบไปว่าเออ ชาวนาก็ดีช่างไม้ก็ดีช่างธนูก็ดีเนี่ยนะเขาล้วนแล้วแต่ดัดแปลงสิ่งภายนอกให้เป็นประโยชน์จะเป็นน้ำจะเป็นวัตถุก็ตามแล้วเหล่านี้จะทำยังไงจะทำอะไรก็ฝึกตนสิดัดแปลงจิตจางก็เลยเกิดความเรียกว่าเกิดฉันทายางแรงกล้าแล้วก็ขอภาษยระบุว่าเช้านี้ไม่บินธบาตินะจะไปทาความเพีย แล้วท่านก็กลับไปที่สํานักแล้วก็ทาความเพียรพอกว่าท่านบรรุธรรเป็นพระอรหันต์ในชาววันนั้นเองอันนี้เริ่มต้นบรา ก, การที่ท่านเห็นชาวนานะ้ทดน้ำเข้านาช่างไม้ถากไม้นะช่างธนูดัดลูกศรรูและจะเป็นสิ่งนอกตัวทั้งนั้นแต่ว่าท่านมองแล้วเนี่ยน้อมเข้ามาใส่ตัวโยงมาที่ตัวเองว่าเออ คนเหล่านี้เขาทำสิ่งที่มีประโยชน์ตัดแปลงสิ่งตายไมีประโยชน์แล้วเราจะทําอะไรดีอันนี้เป็นที่มาของคาถาของอที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบัณฑิตย่อมฝึกตนชาวนาขาทดน้ําเข้านาช่างไม้ถากไม้ช่างธนูตัดลูกศรดัดคันธนูบัณฑิตย่อมฝึกตน อันนี้คือความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับคนที่มีอาชีพอื่นอาชีพอื่นนั้นเขาตัดแปลงสิ่งภายนอกให้เป็นประโยชน์แต่ว่าบัณฑิตนั้นเนี่ยตัดแปลงที่ฝึกฝนตนเองอันนี้ก็เป็นข้อธรรมที่อาสามบัณฑรูปนี้ได้มาจากการที่ได้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวจะถ้าไม่ได้มองแบบปล่อยใจลอยหรือว่าเพลิดเพลินกับสิ่งที่เห็นแต่ว่ากลับได้ข้อคิด นะที่ทําให้เกิดความจเจริญงอกงามในธรรมได้อันนี้เราต้องรู้จักมองนะรู้จักมองหน้าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องรู้จักมองนะไม่ใช่ว่าเจ็บตัวนะเห็นว่าไอโลกภายนอกนี่มันเป็นปฏิปักกับการปฏิบัติธรรมจะต้องมาดูกายดูใจอย่างเดียวอ่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะธรรมะนี่มันก็มีอยู่กับทุกสิ่งรอบตัวเราด้วย หลวงปู่มัน่นท่าพูว่าเนี่ยสำหรับผู้ที่มีปัญญาเนี่ยธรรมะมีอยู่ทุกย่อมยา่าอันนี้ท่านตอบคาถามของพระราชาคณะรูปหนึ่งชั้นสมเด็จนะที่ถามหลวงปู่มั่นว่าท่านหลวงปู่มั่นเนี่ความรู้ก็น้อยการศึกษาก็น้อยแต่ทาไมอสอนธรรมะได้อย่างลึกซึ้งนะพระราชาคณะ ท, ท่านนี้ท่านก็จะว่าคนที่จะมีรู้ธรรมะได้นี่ต้องศึกษาตํารา ศึกษาคำพนะีเรียนประโยคสูงๆหลวงปู่มั่นก็การที่หลวงปู่มั่นนี่ท่านไม่ได้เรียนเลยนะท่านก็เอาแต่ทุ่ดตรงในป่านะก็เลยสงสยัยพระราชาคณะท่านนี้ก็เลยสงสยัยว่าหลวงปู่มั่นนี่รู้ธรรมะได้อย่างไรหลวงปู่มั่นก็เลยตอบว่าเนี่ยสำหรับผู้ที่มีปัญญาเนี่ยธรรมะมีอยู่ทุกจอมย่าให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะได้จากทุกสิ่งรอบตัวนะ ไม่ใช่แค่เรียนรู้จากกายและใจเท่านั้นนะจากธรรมชาตนะิจากดอกบัวนะจากนกจากแมลงจาก ม, จากมดนะจากผู้คนรอบตัวคนที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นอมิตรเขาก็สอนทำให้กับเราไดนะ้คนที่ทำตัวไม่น่ารักเนี่ ย, ยาย่าแต่โกรธเขาอย่าแต่ละอาเขา ให้มองว่าเออเขาสอนธรรมะให้แก่เราได้อย่างไรนะสอนธรรมะว่าอะไรบางที่ไม่ควรทําไม่ควรปฏิบัติให้เห็นว่าเออคนเราถ้ามีความโกรธความอิจฉาเนี่ยก็จะเป็นอย่างเนี้ยนนะก็จะได้เป็นครูสอนเราว่าเราอยา่าอย่าเป็นคนขี้โกรธขี้อิจฉาอย่างเขานะสอนธรรมะได้นะละครละครโทรทัศน์นี่ก็สอนธรรมะกับเราได้คนส่วนใหญ่ดูละครแล้วก็เอาแต่ความสนุก หรือเอาแต่โมโหโกรธาตัวละครบางคนเช่นตัวร้ายขี้ฉาแต่ว่าไม่ค่อยได้ึอาศัยเรียนรู้ธรรมมาจากคนเหล่านี้เท่าไหร่นะว่าเวลาเป็นคนขี้ฉาแล้วเนี่ยเป็นยังไงหรือบางทีไม่ได้ไม่เรียนรู้จากตัวละครเช่นนางเอกพระเอกนะว่าพอหูเบาเชื่อคําของตัวชาแล้วเนี่ยชีวิตมันย่าแย่ยังไงบ้าง เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากทุกสิ่งนะจากาละครจากข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพนะ์บางทีเห็นข่าวคนถูกลอตเตอรีนะ่48ล้านโอ้เราอิจฉาเขาทำงานเราจะรวยอย่างเขามั่งเนาะชีวิตเรามันลำเค็นเหลือเกินชีวิตเราลำบากนะแต่พอดูข่าวไปสักพักอีกไม่กี่เดือนปรากว่านะ สามีภรรยาที่ถูก48ล้านรถคว่มรถชนตายนะถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่เดือนพฤศจิกาพอเดือนมีนามเมษาก็ตายซะลนะนะอย่างนี้ในชาไหมถ้าเป็นเราเราจะเอาไหมไม่มีประโยชน์เลยนะได้48ล้านมาแต่ว่าไม่ทันได้ใช้ก็ตายซะลนะ อ, อยู่แบบเราถึงแม้ อยู่แบบหาชา้ากินข้าไม่ถูก48 000, ล้านแต่ว่าก็ยังมีชีวิตที่ยืนยืนยาวสามารถที่จะทำความดีสามารถที่จะสร้างบุญสร้างส่ว์มาปฏิบัติทําได้อย่างนี้ดีกว่าใจฉาเข้าไปทำไมนะ 48, 000, ล้านอันนี้เราถ้าเราอ่านข่าวสารอ่านหนังสือพิมพ์ดูข่าวสารเนี่ยก็าจะ ก, ก็เห็นข้อคิดเตือนใจให้กับเราได้ ต้องฉลาดนะันในการในการรับรู้โลกภายนอกไม่ใช่มัวแต่ส่งจิตออกนอกไม่ใช่มัวแต่ปล่อยใจอิจฉาทียาบาาหรือโกรธเคืองใครแต่ว่าให้รู้จักมองสิ่งทั้งปวงให้เห็นเป็นธรรมะอันนี้เรีมียนิโสมนสิกการมียนิโสมนสิกการยนิสโสมนสิกการกแปลว่าการรู้จักนะการรู้จักมองทำในใจอย่างแยบคายคือฉลาดมองฉลาดคิดนะั่นนะ เราพวกเราเป็นั่าปฏิบัติธรรมซึ่งเนี่ยต้องไปใช้ชีวิตกับโลกภายนอกนะในด้านหนึ่งเราก็ต้องหมั่นดูกายดูใจแต่เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกก็เกี่ยวข้องให้เป็นนะอย่างน้อยก็รู้จักมองนะให้เป็นก็จะเห็นธรรมะได้จากทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่ดูว่าเป็นน่ารังเกียจหรือว่ากระตุนราคะ อย่างที่เคยเล่านะพระนักสมานเทลานี่ท่านท่านออกมาจากป่าเข้ามาในเมืองนะเห็นผู้หญิงกําลังฟ้อนรำนะมันมีงานแห่แหนผู้หญิงแต่งตัวสวยงามฟ้อนรำนะเสียงดนตรีก็บันเลนใครเห็นก็เกิดความหลงไหลแต่ท่านมองเนี่ยท่านเห็นอีกแบบมันได้เห็นว่าโอ้อันนี้คือ เดือยอันนี้คือห่วงนะคือกับดักของมาร น, นะที่จะมาล่อให้หลงในกามท่านกับเห็นโทษนะเห็นโทษของมันเห็นโทษของกามก็ทําให้ท่านเกิดความหน่ายนะพอน่ายก็จิตก็วางนะแล้วปัญญาก็เกิดนะเพราะว่าท่านบรรลุธรรมเนี่ยตรงนั้นเอง ในขณะที่น่าเห็นหญิงดนตรีอาหญิงกํากลังฟอ้อนลาอยู่เขาไม่ได้เห็นเหมือนคนอื่นนะท่านเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวก็เห็นว่าโอ้ไอ้กามนี่มันมีโทษอย่างนี้เองนั้นเราเนี่ยก็ต้องรู้จักมองอย่างนี้บ้างจะมองนี้ได้ต้องมีสติแล้วก็โยนนิโสโชนสิการอย่างที่ว่าถ้าเรามองเป็นก็จะเห็นความจริงนะ เห็นความจริงเรื่องไตรลักษนณะ์เห็นความจริงเรื่องอนิจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าให้สิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีโทษที่ไม่อาจจะฝากความหมองหรือความสุขไว้กับมันได้เราก็แม้ จ, จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้เลยเพราะตัวมันเองก็ไม่มีตัวตนที่ยั่งยืนหรือว่าที่เที่ยงแท้นะเห็นความจริงก็เห็นไม่กี่อย่างเท่านั้นนะก็จะช่วยเราได้ เช่นเห็นความจริงเรื่องไตรักเห็นความจริงเรื่องกายเรื่องใจเห็ความจริงเรื่องกายเรื่องใจเนี่เวลากายป่วยนี่นะมันไม่ทุกข์เท่าไหร่นะแต่พอไม่เห็นเนี่ยนะเวลาป่วยนี่ก็เอาแต่คิดว่าฉันป่วยฉันป่วยนะเวลาเจ็บก็จะคิดว่าฉันเจ็บฉันเจ็บแต่ไม่ได้มองว่าไอ้ที่ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ความเจ็บมันเกิดขึ้นกับกายความปวดเกิดขึ้นกับกายใจไม่ได้เป็นต้องทุกข์ไม่ได้ไปต้องปวดต้องทรมานก็ได้ อย่างอย่างหลวงปู่บุตรานี่โยงค็นิมนต์ให้ท่านมามาฉันอาหารมาฉันเช้ามัง้พงพร้อมกับพระในวัดจากสิงบุรีบอกว่าอาหารนี้เป็นพิษนะเป็นพิษนี่พระนี่อาจเจียงกัเป็นแถวเลยพระบังรูปเนี่ยไม่ใช่พระบังรูกพระส่วนใหญ่นะ อาเจียนจนหมดแรงนอนหมดสภาพจะหลวงปู่บูดาท่านอายุเก้าสิบท่านก็อาเจียนเหมือนกันนะแต่อาเจียนเสร็จท่านก็ลุกมานั่งคุยกับโยมต่อคุยให้กำลังใจโยมไม่ให้โยมเสียใจที่ทําให้พรานต้องมาทุกข์ทรมานอย่างนั้นคุยสักพักท่านก็อ้วกอาจเจียนใส่กระโถนแล้วก็ท่านก็คุยต่อโยมก็แปลกใจว่า ถ้าไม่เป็นอะไรเลย เ, ลยเนี่ยถ้าไม่ปวดถ้าไม่ทรมานมันคนอื่เลยเลยทางอธิบายฟังว่าก็ร่างกายข อ, องเรานี่มันประกอบไปได้วยธาตุสี่นะถ้าเจอถ้าโดนยาเบื่อยาเมา ก, ก็ต้องก็ต้องมีอาการแบบนี้แหละแต่ใจมันไม่ได้โดนด้วยใจไม่ได้โดนยาเบื่อยาเมาด้วยมันก็เลยมมีอาการเหมือนกายก็คือว่าถึงเวลาจะอ้วกก็อ้วกอวก้อวกเสร็จ ก, ก็กลับมานั่งคุยได้นะ ไม่เหมือนภาพลูกอื่นอันนี้ พ, พราะอะไรเพรท่านเห็นความจริงเรื่องกายเรื่องใจนะซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเรื่องง่ายนะแต่ว่ามันไม่ใช่เห็นด้วยความคิดแต่ต้องเห็นด้วยใจแล้วก็เห็นว่าอ๋อไอ้ที่ปวด ท, ที่ทุกข์เนี่ยมันเป็นกายทุกข์แต่ใจไม่ได้ทุกข์ด้วยไอ้เราต้องเห็นเท่าไหร่ความจริงแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้อ่าความทุกข์มันได้ ง, งานเราไม่ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำความดีด้วยแล้วก็เห็นความจริงด้วยเห็นความจริงเรื่องกายเรื่องใจแต่ว่าถ้ า, ากว่าจะรับรู้โลกภายนอกก็รู้อย่างมีสติปัญญาก็จะเกิดได้นะเอาช้อนี้ก็พูดกันเท่านี้เอากลับผาพร้อมกัน